รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่30เป็นสุขแล้วยังไงกรณีเฉพาะตนของจงก น, นีอาชีพแพทย์และอาจารย์มหาวิทยาลัยลักษณะางานที่ทำวินิจฉัยโรคแต่ไม่ได้รักษาแล้วนอกจากนั้นก็สอนนักศึกษาและแพทย์เฉพาะทางกับทำงานวิจัยไปด้วย คำถามแรกดูลมหายใจก่อนนอนประมาณวันละครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกบางครั้งก็รู้ท้องพองท้องยุบแล้วแต่ว่ารู้อันไหนก่อนบางครั้งก็ใช้คำบริกรรมพุทโธกากับบางครั้งก็คิดว่าเข้าออกตามที่ลมปรากฏแต่ไม่ว่าจะใช้คำว่าอะไรหรือวิธีไหนก็ตาม สักครู่หนึ่งลมหายใจจะเบาลงมากๆจนกระทั่งตามลมไม่ได้แล้วก็รู้สึกนิ่งสงบสุขบางครั้งรู้สึกเหมือนไม่มีตัวอยู่ได้แค่นี้มานานแล้วไม่ทราบจะทำอย่างไรต่อสิ่งที่คุณทำไปนั้นเรียกว่าเข้าสมาธิแบบฤษีและคุณเข้าได้ถึงความสงบระงับความกวัดแก่งของกายใจ จนถึงจุดที่จิตตั้งมั่นไม่ไหวติงเพลิดเพลินอยู่กับความวิเวกในจิตเองจำไว้เป็นหลักการเลยนะครับถ้าแค่รู้ว่ากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกจะมีคำบริกรรมกำกับหรือไม่มีคำบริกรรมกำกับก็ตามจัดเป็นการเข้าสมาธิธรรมดาไม่ได้แตกต่างจากที่ฤาษีชีพัยค้นพบกันมาเนิ่นนานแล้วอย่างไรเลย ทั้งนี้เพราะเมื่อจิตเลิกฟุ้งซ่านรู้เห็นแต่ อ, อาการที่มีการหายใจเข้าออกในที่สุดทั้งโลกก็เหลืออยู่เพียงเฉพาะนิมิตลมหายใจอันประกอบด้วยความน่ายินดีเพลิดเพลินใจคล้ายลอยนิ่งอยู่ท่ามกลางฟ้าสว่างที่ไร้ขอบเขตซึ่งนั่นก็ไม่ใช่อื่นใดนอกจากสภาวะของจิตที่ตั้งมั่นเปิดกว้างปราศจากความฟุ้งซ่านและการเพ่งคิด เมื่อมาถึงจุดนั้นจนชำนาญก็คล้ายจะเคยชินให้เกิดสภาพเดิมๆทุกครั้งแม้พยายามนำไปใช้ประโยชน์ในทางเจริญสติก็เหมือนใช้ไม่ได้เพราะจิตไม่อยากเคลื่อนออกมาจากความอยู่เย็นเป็นสุขแบบนั้นที่เหมือนไม่มีตัวอยู่ก็เป็นเพียงภาวะความรู้สึกอันเกิดจากการที่กายหายไปจากความรับรู้แท้จริงยังมีอุปาทานว่าสุขเป็นของดีจิตเป็นผู้เสพสุขและจิตเป็นเรา ตัวคุณจึงยังไม่ได้หายไปไหนเลยเพียงแต่แปลสภาพตัวตนจากรู ป, ปรธรรมไปเป็นนามรธรรมเท่านั้นการอุบัติของพระพุทธเจ้าหมายถึงการมาพลิกมุมมองในสมาธิแบบฤๅษีเริ่มนับจากความเข้าใจว่ากายใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเราเขาจากนั้นจึงสังเกตตามจริงอาศัยพื้นฐานแบบเดียวกับฤๅษีนั่นแหละ นั่นคือรู้ว่านี่กำลังหายใจออกรู้ว่านี่กำลังหายใจเข้าเมื่อรู้สบายสบายได้แล้วไม่ต้องลำบากเค้นไม่อึดอัดกับการแพ่งลมหายใจแล้ว <c oughs> ก็พิจารณาต่อไปอีกนิดเดียวให้เกิดความเห็นตามจริงว่าการหายใจนั้นบางทีก็ยาวบ้างบางทีก็สั้นบ้างไม่สม่ำเสมอเข้าแล้วต้องออกออกแล้วต้องเข้าผลของการตามเห็นเพียงเท่านั้น คือความรู้สึกอันแจ่มชัดว่าลมหายใจไม่เที่ยงศัก์แต่เป็นธาตุทางธรรมชาติที่พัดเข้ามาและพัดออกไปจากกายนี้ณจุดที่เห็นความไม่เที่ยงของลมจิตจะคลายการยึดติดในลมเหมือนถอยห่างออกไปเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ว่านี่หายใจออกนี่หายใจเข้านี่หายใจยาวนี่หายใจสั้น ตรงตามลำดับของอาณาปานาสติที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ทุกประการเมื่อจิตนิ่งรู้ด้วยอาการเช่นนั้นจนกระทั่งเกิดภาวะแห่งสมาธิก็จะเหมือนตื่นขึ้นในอีกการรับรู้แบบหนึ่งเป็นชั่วขณะแห่งการเห็นอย่างถูกต้องปราศจากอุปาทานว่าลมหายใจคือตัวเราปราศจากอุปาทานว่าท่านั่งคือตัวเราณจุดนั้นถือว่าจิตแยกออกมาเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ในการครอบงำทางกายอย่างสิ้นเชิงชั่วขณะการเจริญสติไม่หยุดแค่นั้นเพราะด้วยความเข้าใจพื้นฐานที่มีอยู่แต่แรกคือเราเจริญสติเพื่อเห็นทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราเรายอมพิจารณาเห็นได้ว่าณนะบัดนั้นเรายังมีอุปาทานและอุปาทานก็เกิดขึ้นจากความสุขความเพลิดเพลินยินดีในสมาธิอันมีรสวิเวกนั่นเอง เมื่อเห็นเช่นนั้นก็จะเกิดอาการไหวทันสังเกตรู้ปีติสุขและภาวะนิ่งแห่งใจว่าเป็นแค่สิ่งถูกรู้ตัวผู้รู้ก็คือจิตที่ทำตัวคล้ายนักสังเกตการที่แยกตัวออกไปไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ไ, ไปกับปีติสุขซาบซ่านที่ปรากฏอยู่สุขอย่างรู้ต่างจากสุขอย่างเพลิดเพลินเคลิมสบายเป็นคนละเรื่อง ต้องหมั่นสังเกตเปรียบเทียบจนเห็นความต่างอย่างชัดเจนจึงจะเข้าใจว่าผลของการนั่งสมาธิแบบเจริญสติจริงๆในที่สุดจะพาคุณมาเจอที่ตั้งของอุปาทานขั้นสุดยอดนั่นคือตัวของจิต ท, ที่ทรงภาวะนิ่งรู้อยู่ใสๆนั่นเองและที่เริ่มเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวตนพระพุทธเจ้าให้สังเกตว่าตอนอยู่ในสมาธิ กับตอนกำลังเคลื่อนออกมาจากสมาธิมีความต่างกันอย่างไรเมื่อเห็นความต่างได้ก็จะค่อยๆเริ่มลดอุปาทานว่าเป็นจิตดวงเดียวกันมีความเป็นตัวเดียวกันแท้จริงจิตดวงหนึ่งดับไปจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นแทนอยู่ตลอดเวลาสรุปว่าใช้พื้นฐานที่มีอยู่นั่นแหละครับต่อยอดอีกนิดเดียวทาความเข้าใจหลักการเจริญสติแบบอานาปนาสติดีด ก็จะทราบว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดูแค่ลมหายใจปรากฏแต่ให้ดูความไม่เที่ยงของมันด้วยดูสุขอันเกิดจากสมาธิด้วยดูสภาพจิตอันไม่เที่ยงด้วยถ้าเป็นอนาปนาสติครบสูตรจริงๆก็มีสิทธิ์ถึงมรรคถึงผลได้แน่นอนเพราะกระทออุปาทานหลุดร่วงเป็นเปล่าจนหมดสิน้น คำถามที่สองระหว่างวันหากรู้ตัวขึ้นมาบางครั้งก็ตามดูลมหายใจและกำหนดพุทโธตามบางครั้งก็ตามดูกายว่ายืนเดินนั่งนอนบางครั้งก็ตามดูความคิดปฏิบัติละหลายวิธีอย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรทำหรือว่าควรจะรู้แบบใดแบบหนึ่งอย่างเดียวดูทุกอย่างที่กำลังปรากฏเด่นครับ อิริยาบทเปลี่ยนไปสุขทุกเปลี่ยนไปสภาวะจิตเปลี่ยนไปสิ่งใดกําลังปรากฏชัดก็ให้รู้สิ่งนั้นก่อนเมื่อฝึกรู้ไปเรื่อยๆจนสติและความเข้าใจตั้งมั่นคงสภาพผู้รู้ผู้ดูประหนึ่งแยกเป็นสองตัวตัวหนึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงให้ดูอีกตัวไม่ทําอะไรเลยนอกจากดูอย่างเดียวนั่นแหละครับจะเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งคือมีจิตตั้งมั่นเต็มตื่นเบิกบาน ไม่ถูกครอบงามด้วยอุปาทานทั้งที่ลืมตาอยู่แท้